ข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวนี้ครั้งแรกินฝังตอนบวชมาใหม่ๆนีนลุกสู้เลยมันใช่หรอวะาพวกเรามันมากปนนี้จริงๆเลยนี่ทุกวันที่นี่ต่างสถานีวิทยุกระชัยเสียงแห่งประเทศไทยจนเวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าโดยประมาณข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์ พี่ปุณโณจะวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบกับธรรมบุฟังอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดไม่เคยเว้นทุกวันเป็นประจาแล้วก็จะทาต่อตอไปถต่บอกว่าแรงกำลังยังมีเพื่อให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือถ้าสิ่งที่ฟังอยู่มันเคยฟังมาแล้วนะ่าจะทำใหเราเกิดมีความแจ่มแจ้งขึ้น ในมวดธรรมนั้นๆในข้อความนั้นๆในเรื่องนั้นๆได้เพราะในธรรมานีธรรมฝังต้องใช้การทําการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่บ่อยๆอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเรื่องนี้ฉันรู้แล้วฉันเคยฟังมาแล้วฮะนั่นคือประมาทมันเป็นเสียงของกิเลสที่มันจะทําให้เราแบบว่าเผลอเปลิปลนมีความคิดไปในทางที่ดูหมิ่นแย่แส ไม่ใส่ใจซึ่งความดูหมิ่นแยแสไม่ใส่ใจลบดูทำนิติเตียนนั้นเป็นอกุศลธรรมธรรังถ้าให้เรามีอกุศลธรรมเอ่าพูนเกิดขึ้นในใจเนี่ยโอ้เป็นอันตรายเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าดีนะคือถ้าคนมันทำจิตไม่ดีเนี่ยฟังแล้วก็ติเตียนอันนี้ไม่ดีแน่ แต่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแม้ในเรื่องราวที่เคยได้ฟังมาแล้วโ อ, เอวเว้เพื่อให้เรามีความแตกฉานเพื่อเรามีความแจ่มชัดเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นการฟังธรรมะนี้ดีแน่จะสามารถทำให้เกิดสามาธิทีจะสามารถทำให้เกิดมีความรู้คอยานมีปัญญาทำความแจ่มแจ้งในใจให้จิตใจของเราเ น, นีนะ่ะมีความนุ่มนวล มีความลุ่มลึกมีความเย็นมีความอ่อนเหมาะในการที่จะวางได้ที่ใจของคนเราที่มีความอ่อนเหมาะเห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่ชื่อว่าเดินไปตามทางที่สู่นิพพานคือความดับคือความเย็นแล้วนั่นคือเราจะปล่อยวางได้เวลาที่ท่านมาฟังมาฟังตามนี้ไม่ว่าจะตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็น ตอนก่อนกินข้าวก่อนนอนหรือการไปทำงานก็ตามหรือบางคนจะฟังหลังจากออกกำลังกายหลังจากตื่นนอนหรือหลังจากเวลาอาหารฟังแล้วถ้าเผื่อว่ามีข้อสงสัยไม่เข้าใจหรือว่าต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถไปที่เว็บไซต์เพียวตรมะ .com ได้ p, p u r e d h a m m a Com. หรือถ้าต้องการจเขีมเป็นจดหมายปริษัทก็ส่งกันมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริษณี41130ในรหวางการฟังธรรมานี้ปัญหาอันหนึ่งท่าผู้ฟัง ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเอาไว้อย่างดีเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาหนึ่งนี้ล่ะนั่นคือเรื่องของความตายเคยตรัสไว้บอกว่าการที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยก็เพราะว่าด้วยเหตุสามอย่างคือความเกิดความแก่และความตายโดยเหตุอะไรที่ทำให้มีธรรมสามอย่างคือเกิดแก่ตายนี้มาก็เป็นเหตุเดียวกันที่ทาให้มีพระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นบนโลกอุบัติขึ้นแล้วแสดงธรรมก็เพื่อแค่ปัญหา3อย่างนี้เกิดแก่และตายเรื่องความตายที่เราได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำว่าความเกิดความแก่และความตายเนี่ยคือเป็นทุกข์ของผู้ที่ได้รับนั้นเองไม่ใช่ทุกข์ของคนอื่นฟังให้ดีนะวันนี้ต้องการจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้แหละว่า ความเกิดอย่างเงี้ยคือทุกข์ของเด็กที่เกิดนั่นไม่ใช่ทุกข์ของแม่ที่จะต้องมาคลอดลูกหรือทุกข์ของหมอที่ต้องมาทำคลอดของพ่อที่ต้องมาคอยดูแลเป็นห่วงรวมไปด้วยนั่นไม่ใช่ทุกข์คือความเกิดหรือทุกข์คือความแก่คือทุกข์ของผู้ที่แก่เองนั่นไม่ใช่ทุกข์ของคนที่ข้ามาดูแล รัฐบาลที่จะต้องมาทำหน้าที่ในการอุปการะดูแลคนแก่สังคมที่มีคนแก่มากขึ้นก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งต้องทำอีกแบบหนึ่งน่นไม่ใช่ น, นไม่ใช่นันเรื่องของคนนึ่งเขาเรื่องของคนแก่นั่นเองหรือว่าความตายคือทุกของคนที่จะตายนั้นนั่นเองนั่นแหละไม่ใช่ทุกของคนอนื่นที่เขามาคอยเป็นหนูโอตายแล้วจะเป็นยังไงหรือคนจึงต้องมาคอยทำศพ ส, บสับเปลที่ต้องมาคอยจัดการเก็บซากพวกนี้ นั่นไม่ใช่ทุกคือความเกิดความแก่ความตายนั่นเป็นทุกของคนอื่นแต่ความเกิดเป็นทุกแม้ความแก่ก็เป็นทุกแม้ความตายก็เป็นทุกเนี่ยคือเป็นทุกของผู้ที่ได้รับทุกนั้นัน้น น, น, นั้นเองวันนี้ต้องการจะพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ทุกฝังแต่เป็นเรื่องนั้นวันนี้ในบาความตายเป็นทุกเราพูดไปแล้วว่า โอ้จะต้องสูญเสียความสุขต่างๆที่คุณมีมาทั้งหมดเลยนะอันนี้คือแม้ความตายก็เป็นทุกข์หนึ่งคือทุกข์ของผู้ที่ตายเองวันนี้ต้องการพูดถึงทุกข์ของคนที่จะต้องอยู่แล้วเจอความตายนะนะั้นน่ะเผชิญอยู่ต่อหน้าเช่นพ่อแม่ตายโอ้แล้วฉันก็จะมาเป็นทุกข์ทุกข์ของลูกเนี่ยนะไม่ใช่ทุกข์คือความตายถ้าลูกตาย พ่อแม่จะมาเป็นทุกข์ทุกของพ่อแม่นี่ยนะไม่ใช่ทุกข์คือความตายนะทุกข์คือความตายนนั้นเป็นของลูกเพราะนั่นคือมรณะเป็นทุกข์ขังแต่ทุกข์ของพ่อแม่ที่ต้องมาดูลูกตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เรียกว่าได้เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นความทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี่แหละก็เป็นความทุกข์แต่ว่างนี้ เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเช่นความตายของคนที่เรารักโอ้นี่เป็นทุกข์แน่นอนการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจคือคนที่เรารักนั้นคู่ครองคือถ้ายังรักกันดีอยู่นะแต่อีกฝ่ายหนึ่งตายไปเนี่ยโอ้เป็นทุกข์ใจเอาไหมนะคู่ครองถ้าเกลียดกันใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งตายไปเนี่ยฉันดีใจจะไปหาผัวใหม่จะไปหาเมียใหม่ เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็เป็นความสุขว่ะสิจึงจะไปหาความสุขใหม่ๆนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ไปละแต่ถ้าทำฟังฟังให้ดีเอาจิตใจมาจดจ่อยมีความเข้มแข็งให้มีความตั้งมั่นเนี่ยเราะจะพบว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีที่แตกต่างกันในธรรมะในนี้ทำฟังจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความรัดคุมมีความรอบคอบมีการทําความเข้าใจให้ถูกต้องกันอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดเพีย้ยนบิดเบือนไปเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดคิดว่าธรรมะนี่ก็แก้ได้หมดอะแต่แบบไม่หมดจดหมดยุ่แต่ไม่จดใช่ยุ่แต่ไม่ถูกคันยุ่เก่ายุ่แต่ไม่ถูกที่คันเป๊ะแบบหลบไปหลบมาไม่ถูกที่คันเนี่ยคือเก่ามันก็ใช่ยุ่แต่แบบไม่ถูกเป๊ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่ เรามาทําความเข้าใจให้มีความรัดกลุ่มรอบคอบไม่ละหลวมเนี่ยจึงเป็นการดีในข้อที่หนึ่งก่อนเลยทุกฝังต้องการจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราของเราเนี่แหละมาใช้เป็นตัวอย่างเช่นว่าเราสูญเสียคนที่รักเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยมีมาตั้งแต่นมนานแล้วไม่ใช่เกิดมีมาในเฉพาะสมัยปัจจุบันนี้ตัวอย่าว่ามีสตรีนางหนึ่ง วุยเธอเป็นวัยรุ่นอายุสิบห้าหยกหยกสบกย่อนหย่อนโอกก็หนีไปตามผู้ชายที่เป็นคนใช้ในเรือนวุยพ่อแม่นี่เสียใจมากเสียใจมากอันนี้นะทุกของพ่อแม่นี่คือพ ร, รากจากสิ่งที่น่าพอใจเคื อ, อนที่ว่าจะให้เห็นลูกไปแต่างงานอันนี้มีมาแล้วสาวใจแตกมีละเพิ่แต่้ในสมัยโบราณหรือการที่ ผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนนี้มากแต่ปรากฏผู้ชายคนนี้ตายไปโอ้เสียใจมากความตายของชายนะั่นแหะคือมรณะปีตุกขงแม้ความตายก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นคือทุกข์คือความตายของชายคนนั้นแต่ทุกข์ของหญิงที่ว่าเห็นผู้ชายคนที่เรารักสูญเสียไปเนี่ยโอ้ยนางนี่ไม่ใช่ทุกข์คือความตายแต่นั่นคือทุกข์คือความประพรัก จากสิ่งที่รักที่น่าพอใจก็เป็นความทุกข์อันเดียว ก, กันกับที่พ่อแม่เห็นลูกหนีไปกับผู้ชายสตรีนางนี้เธอมีลูกสองคนลูกสองคนก็ตายอีกความตายของลูกนั้นน่ยคือมรณะทุกนะแต่ความโศกที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นคือความโศกที่พลาดพรากจากสิ่งที่น่ารักที่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ มีเรื่องของนางป a t จ a ราทุกฝั่ ง, าาา ง, งลูกคนหนึ่งตายเพราะว่าถูกเยี่ยวโชวไปลูกคนหนึ่งก็ถูกน้ําพัดพาไปก็งคงไม่รอดเหมือนกันสามีก็ตายในทางเปลี่ยวหน้ําซ้ําพ่อและแม่และพี่ชายก็ถูกบ้านถล่มใส่ตายความตายของพ่อแม่พี่ชายสามีลูกเนี่ยไม่ใช่มรณะทุกของนางป a t จ a รา แต่เป็นมรณะทุกของคนหนึ่งคนนึ่งคนนึ่น น, นั้ น, น, น, นแต่ทุกที่เกิดขึ้นกับนางบาตาจรานี่คือทุกที่พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจมีพ่อแม่สามีเป็นต้นเรื่องราวที่ต้องการจะคุยในวันนี้ก็คือว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์เช่นนี้เนี่ยอย่างไรกเกาให้มันถูกจุดเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องมรณะทุกอมรณะสติมาพิจารณา โอาใครก็ตา ย, ยานั้นแ่ะแล้วก็ไม่เที่ยงโอ้มันมันคิดยากกันนะจะทํำยังไงหรือในเรื่องที่สองนางกีสาโกจะมีดูฟังลูกตายอุ้ยลูกนี่แบบว่าเพิ่งจะเดินได้เด็กเพิ่งจะเดินได้ก็สองสามขวบทพิ่ฟังกําลังฝึกพูดน่ารักเลยเป็นวัยกําลังเรียนรู้ทําถูกบ้างผิดบ้างเดินกระเป๋องกระแปะอ้ยน่ารักจริงแต่ว่าตาย ความตายของลูกนั้นเนะ่ยเป็นบรรณาทุกถูกไหมไม่ใช่เป็นบรรณาธุกข์ของนางกีสาโคตมีแต่ทุกที่เกิดขึ้นกับนางกีสาโคตมีเนี่ยคือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจถ้าเราเอาเรื่องโอ้เห็นความไม่เที่ยงซี่ เ, เห็นบรรณาสติซีโอ้ยมันจะแบบเก่อไม่ถูกที่กันเอาไหม รานังวิสาขาเ่าฟังอมีหลานนี่รักมากเลยหลานก็ได้เป็นหลานรักของฉันคอยทำงานจิตการนั่นนี่แทนแต่มาอยู่วันหนึ่งนางเกิดตายขึ้นมาอูยนางวิสาขานี่ก็เป็นทุกข์มากความตายของหลานเนี่ยก็เป็นมรณะทุกข์ของหลานนั่นเองนะไม่ใช่เป็นมรณทุกข์ของนางวิสาขาแต่เราจะพิจารณาเรื่องมรณสติเหมือนอย่างลูกสาวของช่างทอผ้านี่ มันไม่ใช่แล้วมันคือก็ใช่ยอะแต่มันไม่โดนกันเป๊ะจริงๆหรือว่ามีขทาชายนายหนึ่งพึ่งจะโตมาเป็นหนุ่มอายุส7 1เจ็ดปเนี้ยชื่ออานิธิคันทกุมารแม่ก็หาภรรยาให้โว้ยได้ยินมาภรรยายในี่้สวยงามหยดหย้อยหยาดเยิมโอ้ยยังไม่ทะนเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำเกิดหลงรักนางคนนี้ขึ้นมา นานงคนนี้สวยจริงๆหนูฟังสวยขนาดที่เรียกว่ารูปทองคําเนี่ยยังสวยไม่เท่าเธอก็เอทองคํามาปั้นเป็นรูปผู้หญิงขึ้นมาด้วยช่างที่มีฝีมืออย่างมากเนี่ยโอ้ผู้หญิงนี่ยังสวยกว่ารูปหล่อ น, นี้ทองคําด้วยซ้ําได้ยินแค่นี้โอ้โหหลงรักนางก็ไปเต็มตีละคนที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนนี่ด้วยความที่นางนี้มีความละเอียดละอ่ ก็ช่อนอ่อนแอมีความบอบบางอย่างยิ่งเนเดินทางไกล อ, อึกอักอึกอักธาดลมกํากเริบธาดดินไม่อยู่ไม่ได้ตายในระหว่างทางอันนี้คันตกุมานนี่ก็เสียใจมากความตายของสุภาพสตรีที่สวยหยด ย, ย้อยหยาดเยิ้มมีความลียดอนอยนี้นั่นคือมรณะทุกข์แต่ไม่ใช่มรณะทุกข์ของอันนี้ทคันตะกุมารแต่เป็นมรณะทุกข์ของสตรีผู้นั้น แล้วความทุกข์ที่เคยขึ้นกับอ น, นิจี่คันตะ ก, กุมาคืออะไรคือความทุกข์ที่เกิดจากการรัดรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนั้นหรือแม้แต่พราหมณ์คนหนึ่งลูกชายตายอะโอ้ยเสียใจมากมาร่ำให้คร่ภ์ครวญอยู่ที่ป่าช้าลูกไม่ว่าจะลูกสาวไม่ว่าจะลูกชายตายโอ้ยพ่อแม่นี่จิตใจมันลงไปอยู่ที่ตตุ่มเลยนฟัง คนที่ไม่มีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอลูกเราก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วคนผิดแต่ทำไมถึงต้องมาตายอย่างนี้ไม่ว่าจะตายจากโรคภัยไข้เจ็บตายจากอุบัติเหตุหรือตายจากเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งความตายปรากฏขึ้นนี่เป็นมรณะทุกข์ของคนที่ตายนั่นนะไม่ใช่เป็นมรณะทุกข์ของพ่อแม่ที่จะต้องมาอยู่ทนรับความทุกนี้ไอ้อยู่ทนรับความทุกนี้ทุกนี้ทุกนี้เนี่ย มันคือทุกข์ที่เกิดจากการประพรักจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจหรือว่าในช่างทอผ้ า, านายช่องทอผ้าเนี่ยวรับงานหนักมากเยอะแ ย, ยะต้องแบบงานเร่งด้วยลูกค้าต้องการผ้าด่วนทอไปทอไปเนี่ยทั้งคืนมาตลอดง่วงมากเลยเวียงไปเวียงใบมันจะมีกระสวยท่านที่จะต้องทอผ้านี่ลูกสาวที่รักเธงฟัง เดินทางเอากระสวยได้ไมให้โอ้ยไม่ทันสังเกตดูตัเองก็งงเงียละไปเนี่ยแทนที่คนเข้ามาใกล้จะหยุดก่อนก็ไม่ได้อยุมปรากาจังหวะยังไงไม่รู้ไอ้แทนที่ทอผ้านไปกระแทก อ, อกของลูกสาวกระเด็นไปเลือดออกจากปากอึก๊กหัวใจถูกอัดมากทุงฟังก็ตายไม่เหมือนตายด้วยน้ามือของตนเลยทีเดียวนะโอ้ยช่างทอผ้านี่ก็เสียใจมาก ด้วยความตายของลูกความตายของลูกเนี่ยคื อ, คอมรณะทุกข์ของลูกนั่นเองของลูกสาวช่างทอผ้าไม่ใช่ทุกข์คือความตายของพ่อเพราะพ่อยังไม่ตายไงแต่พ่อต้องมาอยู่ทนทุกข์ทนทุกข์นี่ไอ้ทุกข์ ท, ท, ก ท, กที่ต้องทนต้อง ท, ทนเนี่ยมันคือทุกข์ที่เป็นความรัดรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจที่ต้องทนต้องทนท น, นี่แหละเขาจึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์ฟัง เพราะมันทนได้ยากต้องมาทนอยู่กับมันเนี่ยต้องมาทนอยู่กับความที่เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องมาทนทนอยู่กับความที่เจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพาใจเขาจึงเรียกนี่แหละว่าความทุกข์ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างทอผ้าเป็นเกษตรกรชาวไร่กรีดยางหรือว่าคุณสวมรองเท้าทองคำเดินในประสาพระราชวังที่ปูพรมอย่างดี มีรปดานสูงสงูแม้แต่ประชาชรที่ก่อสนเติมฟังก็ต้องมาทนอยู่กับความพลัรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจดีเราฟังฟังให้ดีนะแต่ก็ประชาพูดสับสนวนหน้าบนหลังนี่ติมฟังรู้ไหมอันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะเราต้องมีความรัด ก, กุมราบรอบมีความเลียดหลออไม่ว่าใครติมฟังประชาชนที่ ก, ก่อก็ โอ้นางมลิกาที่วงกค ต, ตายลงเสียใจมากเสียใจมากอุ้ยคนที่จะรู้ใจคนที่จะคอยพูดคอยจามีฉลาดมีปัญญาอย่างนางมลิกานี่อุ้ยจากไปก่อนได้ไงอุ้ยเสียใจมากบรรดาทุกข์นี้ไม่ได้เกิดกับประชาปรเชนทีนก่กสนเพราะว่ายังไม่ตายยังไม่สนคตบรรดาทุกนั้นเกิดกับ น, นางมลิกาที่ตายแล้วที่วงกดแล้วเอาแล้วทุกที่ต้องมาทนอยู่ ที่เกิดขึ้นกับพระชาติเปอร์เซนที่โกศลเหมือนเหมือนกันกับที่เกิดขึ้นกับพราหมณ์ที่ลูกตายเหมือนเหมือนกันที่เกิดขึ้นกับอนิจติคันตะกุมานที่คู่มั่นตายเหมือนกับทุกที่เกิดกับนางวิสาขาที่หลานตายเหมือนกับทุกที่เกิดกับนางกีสาโคตมีที่ลูกตายเหมือนกับทุกที่เกิดกับนางปัตจาราที่ทั้งหลานทั้งครอบครัวตายหมดเนยเหมือนกันทั้งฝั่งไม่ว่าจะเป็นคนยาก คนจนเกษตรกรพ่อค้าประชาชนทั่วไปข้าราชการจนถึงราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีความทุกข์ที่เรียกว่าพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจในต่าง แล้วเราต้องทนอยู่กับมันเนี่นะทนเนี่ยบางที่มันทนได้ยากมันบีบคั้นจนถึงว่าน้ําตานี่มันไหลออกมามันบีบมันไม่ได้บีบที่แขนมันไม่ได้บีบที่ขานะมันบีบล้วงก็ไปกลางทรวงอกเนี่ยแล้วบีบอืดขึ้นนี่โอมันหนักมันหนัก ลองคิดถึงความที่เราต้องแบบเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจต้องอดทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันที่มันหนักมากด้วยหวังมันหนักจนกระทั่งน้ําตามันอั้นอยู่ไม่ไหวน้ําตามันไหลออกจากทางหูหรือว่าทางกายรูกลุมคนแล้ว อ, ออกเป็นเหงื่อจนเป็นน้ําตาได้ไม่ออกไปหมดจนน้ําตาไม่ผลิตน้ําแล้วถ้าเลือดมันจะออกมันก็ออกแทนน้ําตานั่นเลยคือออกทางปากกรากเลื่อยขึ้นมาออกทางปากด้วยออกทางจมูกด้วย พราว่าพอเจอเรื่องที่ตกใจมากๆเนี่ยตกใจนี่คืออะไรล่ะโมไม่ได้เคยคิดมาก่อนามันจะเป็นแบบนี้พลาดพราดจากสิ่งที่น่าพอใจประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจนกระทั่งแบบเครียดมากกรดไหย้อนมันบาดยังไงไม่รู้ในท้องมีเลือดพุ่งออกมาทางปากน้ำตาอย่างทีไม่ทันไหลเลยเลือดออกปากก่อนแล้วน้ำตาก็ออกตามน้ำตาออกจนหมดน้ำเลือดยังออกทางตาเหร อ, อคนนะ้รมันจะมาทุกข์มากป่านนี้ได้ มีท่านฟังมันไม่ใช่ลกคร น, น้ําเน่าที่บอกว่าเขียนเป็นนวณิยายเป็นวรรณกรรมที่บอกว่าดได้รางวัลอ่านและเพลินดีก็มียุ่เรื่องราวก็มีความจริงก็เป็นอย่างนั้นน้าฟังไม่ต่างกันหรอกมีคนที่ทุกข์มากแบบ น, นี้เราทั้งหลายที่จได้ฟังได้ยินเสียงนี้อยู่เนี่ยโอ้ยท่านฟังอะไรกพระเจ้าคือว่าโชคดีมากมากแล้วที่ถ้าเราเจอทุกข์หนักขนาดนี้แล้วเนี่ย แล้วเรายังอยู่ในสมัยปัจจุบนันนี้เรายังได้ยินเสียงที่เป็นธรรมะประกาศอยู่เนี่ยถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะฟังเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยคุณจะต้องทุกข์มากไปกว่านี้เพราะไม่รู้เลยว่าจะแก้งไงถึงแม้ในขณะนี้ว่าถือว่าเรายังมีธรรมะอยู่ยังมีคําสอนอยู่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยมื่อที่ยังเกาวไม่ถูกที่ขันไปคิดเรื่องพิจารณาความตายบ้างไม่เที่ยงบ้าง มันก็ได้ยุดตวัวมงความเจมาถึงมันนานวิธีในการที่เราเจะแก้ปัญหาเรื่องความที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจผัดป ร, รากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเล็กเล็น้อยๆ้อยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมันมีเส้นผมผสมมาหรือว่าเขาขับรถปาดหน้านั้มันเรื่องเล็กท่านผูฟั ง, ม, งมันเรื่องเล็กเอาเรื่องที่ขนาดว่าทุกข์มาจนน้าตาไหล ทุกมากจนแทบมันจะกะากเลือดแล้วมันรู้สึกหนักๆอยู่ที่ท่ามกลางอกเอาแบบนี้เลยอย่างอืนยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อเกี่ยวไว้ก่อนเอาเรื่องใหญ่ๆที่เร า, ามันใหญ่มากจนกะทั่งบอกว่าไม่รู้ว่ามันคิดเรื่องนี้อย่างเดียวแหละมันหนักมากนี่แล้วคุณร้องไห้เปรียบเทียบปานว่าน้ําตาจะไหลออกเป็นสายเลือดสมมุติได้เติฟังสมมุติเพราถ้าเราเจอทุกปานนี้แล้วเรา ย้อนกลับไปอยู่ในสมัยที่ว่าพระเชเ้ายังมีพระชนอยู่นั่งทำให้าาชิงกลับไปแล้วถ้าเราเจอทุกปานนี้ในสมัยนั้นเราจะไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะโอ้ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ดีแต่วิธีไหนธรรมะแบบใดที่จะอธิบายแล้วจะแบบให้มันวางจุดนี้ได้น้ําตาไหลตั้งแต่ประตูบ้านจนไปถึงวัดเชตาวันเนี่ยไหลเป็นสายทางไปเลยเราก็ไปถึงแล้วมึงต้องเอาขันมาลอง เอาขวดมาลองเอาหม้อมาลองจนเต็มแล้วเอาหม้อใหม่มาหม้อหนึ่งเข้าหม้อหนึ่งออกหม้อหนึ่งเข้าหม้อหนึ่งออกจนน้ำตาเต็มไปเต็มไปจัดไปจัดไปพูดไปก็ร้องไปน้ำตาไหลออกมานี่ยเราไปถามพระพุทธเจ้านี่ยเจอทุกแบบนี่จะทํำยังไงจะทํำยังไงท่านจะอธิบายธรรมะในหมวดที่ชื่อว่าอนะัมะตะคะปริยายคือรายลเอียด ที่เราไม่สามารถจะกำหนดได้หรอกว่ามันต้นม า, างไงเนี่ยและปลายมันไปยังไงแล้วจะประิยบเทียบกับน้ำตาที่เราไหลนี่แหละคุณร้องไห้่ปอะไรโอ้ก็เนี่ยลูกตายผัวตายเมียตายหลานตายคู่มั่นตายโอ้ทุกมากเอาน้ำตาที่ไหลออกเนี่ยนะที่ว่าหมอ้อถังหนึ่งเข้าถังหม้อหนึ่งออกนี่ เข้าเข้ า, อ, าออกจนร่องจนเต็มแล้วเอาออกเนี่เอาไปน้ําดูได้กี่ถังได้กี่ลิตรมันได้เท่ากับน้ําทะเลในมหาส ม, มุทรไหมปริมาณมันเท่ากันไหมโอ้ยมันจะไปเปรียบเทียบกันได้ไงระว่า ง, า ง, งน้ําทะเลในมหาส ม, มุทรคุณไปยืนอยู่ชายหาดดิมองไปจนสุดลูกหูลูกตานี่เฉพาะแค่แนวกว้างนะไอ้ลึกนี่เราหยั่งไม่ได้ด้วยซ้าปริมาณ น, น้ำมันเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับน้ําตาที่ไหลออกมาเพราะความทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่งเพราะทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจเพราะทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทุกข์แล้ต้องทนอยู่กับมันนี่ทนอยู่เท่าไหร่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปี10ปีบางคนทนอยู่นั่นน่ะสิปีก็ยังทนสิปีนี่ร้องให้ทุกวันทุกวันทุกวันเอา วันหนึ่งเราให้กี่ถังกี่แกลลอนหมายถึงน้ําตาที่มันหยดลงออกมาแล้วคุณไปตวงแกลลอนหนึ่งมีห้าลิตรเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นเวลาสิบนปะีมันถึงแกลลอนไหมแต่ละวันละวันเนี่ไม่ต้องพูดหรอกขันนึงก็ไม่ถึงหรอกจะบอกให้ต่อให้คุณรองไห้ทุกวันเอทิชชูมาซับมาซับเอทิชชูที่ทั้งน้ําตาด้วยน้ํามูกด้วยหื้อก็เอามารวมกันทั้งหมดนั่นแหะมันไม่ถึงห้าลิตรหรอกไม่พอขันนึกช้ำคิดว่านะ เอาต่ให้มันถึงขันก็ไม่ได้เป็นแทงน้ําแทงหนึ่งหรอกจำ่ว ง, งต่อให้มันได้แทงน้ําแทงหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทะเลมาหาสมุทรหนึ่งหรอกด้วยซ้ำพระบาทจักรพรรดิที่ไว้จำ่ว ง, งบอกว่าความเติร์ดระได้รับจากการที่พระพราจากสีดาพอใจมีมันดามิดามีลูกมีล้านมีคนรักพวกนี้ในแค่หนึ่งกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะ แล้วเกิดแบบในชาตินั้นที่เกิดเป็นคนเอาเฉพาะเป็นคนเนี่ยแล้วเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเริ่น้ําตาไหลเอาน้ำตาเนี่ยามารวมกันมารวมกันมารวมกันรวมกันนับย้อนหลังไปกี่ชาติเป็นแบบนี้เอาน้ําตานี่ยมารวมกันมารวมกันชาติก่อนนูน้นๆ้นใช่ไหมเออเป็นผู้หญิงเกิดมาแล้วมีลูกสี่คนลูกสี่คนอิตายทีละคนละคนละค น, ะคนตายหมดเลยเอาน้ําตานี่ยมารวมกันเอานับต่อไปชาติก่อนนั้นเป็นอะไรเกิดเป็นช่างเอาเกิดเป็นช่างแล้ว เจอคนก็ทำร้ายทุกตีเอาน้ําตาเอารัวมารั่วมารั่วมาช้างไม่ต้องเอาก็ได้เอายกไว้เอาเฉพาะเป็นคนช้างไม่เอาด้วยนับย้อนไปย้อนไปเฉพาะเอาความที่เป็นคนแล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่แน่าพอใจแล้วน้ําตาไหลย้อนไปอีอาน้ําตาเนั่ยมันรวมกันรวมกั น, ร ว, กนรวมกันเนี่ยน้ําที่เกิดมารวมกันจากตาหยดออกมาแล้วเนี่ยนะ เอาไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยน้ำทะเลนั้ น, น, นเนี่ยยังน้อยไปด้วยซ้ำถ้าฟังแบบใครควรให้ดีๆให้ตัวเลขในมันแบบมั น, มนาบซึมเข้าไปในใจเนี่ทเทเเคยเห็นไม้ก่อนแต่ไม่เคยเห็นดูรูปก็ได้มันกว้างใหญ่มากหรือว่าเราดูแผ่นดินก็ได้แผ่นดินที่เราเห็นเนี่ยโอ้สุดลูลูกตาเนี่ยแค่หนึ่งในสีของทะเลทั้งหมด ทะเลใหญ่กว่ามากนะทะเลใหญ่กว่ามากปริมาณน้ำทะเลเป็นเปรียกเทียบกับ น, น้ำตาทีหลยโอ้โหนร้องไห้จนมาได้น้ำทะเลหนึ่งมหาสมุทรกขอบอกว่ามหาสมุทรมีเจดแหง่งเอาเจนแห่งมารวมกันเลย p ปซิ f i c เหนือใต้ a t l a n t ติ Atlantic, ใต้ Indian, เนหนือม e d เ t e r r ร n น a n ินเด a n โนเชียอะไรเอ a ติเอามารวมหมดแล้วน้ำตาที่เราไหลออกมานี่ยังมากกว่านี้ด้วยซ้ น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งเจ็ที่เรานับกันเนี่ยแค่อ่างใบหนึ่งแต่น้ำตาที่ไหลออกมาจากความทุกข์ที่เราพบเจอมาแล้วเนี่ยน้องฝังมันเป็นมหาสมุทรจริงๆอย่ามาพูดเลยว่ามหาสมุทรในโลกนี้มันเป็นมหาสมุทรแค่น้ำในแอ่งหนึ่งเท่านั้นแต่น้ำตาของเราเนี่ไหลออกเป็นทางจากบ้านไปถึงวัดเจตวันเนี่ย มันไหลออกมาแล้วเป็นมหาสมุทรจริงๆฝั่งนี้เราให้ขนลุกทำฝังข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวนี้ข้างแรกในฝัง่งตอนบวชมาใหม่ๆนี่ขนลุกสู้เลยมันใช่หรอวะพวกเรามันมากปานนี้จริงๆหรอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยังได้น่านังเพราะว่าเราถูกปิดกั้นเอาไว้ด้วยวิชาทำให้เรามองไม่เห็นว่าไอ้ที่เราทุกมาเนี่ย มันมากปานนี้แหละเพราะพร ะ, ระเจ้าจึงมาเปิดบอกให้ว่านี่เราทุกข์มามากปานนี้จริงๆนะให้เพ่งจี้จ่อในความทุกนี้ให้ดีทุกฝังท่านจะสอนเรื่องอ น, นัมตะคะปริยายาโสเนี่ยแหละว่าเราทุกข์มามากแล้วที่เรายัางลงไม่ได้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมากปานนี้แหละคำสามในที่นี้ก็คือว่าแล้วจากนี้ไป จากนี้ไปคุณจะทุกปานนั้นอีกว่าจากนี้ไปข้างหน้านี่นะก็ยังลงไม่ได้มันกันว่ามันจะไปถึงที่ไหนจากที่ข้างหลังมาเนี่ยคุณทุกปานนี้เนี่ยมันเอานี่ยเปรียบเทียบนะยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าทะเลมันมากเอาทะเลที่เรามีมากมีมากเอาเปรียบแค่น้ําอ่างเดียวแต่ความทุกข์ของเรามันมากกว่านั้นนะเแล้วถ้าเราจะต้องทุกต่อไปจากนี้กเหรอขนลุกเลยท่านผูฟังให้ขนลุกเลยว่า คุณจะงโง่ทุกต่อไปจากนี่อีกเหรอเพื่อให้ว่าเราจะต้องร้องไห้ออกมาเท่ากับน้ําทะเลในมหาสมุทรหรือเกินกว่ายอย่างนั้นอีกเหรอแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะฟังที่มาคนเกิดมาแล้วมันก็จะมาเจอ้พวกเนี้ยเจอความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดเป็นต้นความแก่เป็นต้นความตายเป็นต้นหรือความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ หรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันเป็นธรรมดามันเป็นของที่มันเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วเพราะของที่มีความเกิดเป็นธรรมแล้วก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาของที้มีความแก่เป็นธรรมแล้วก็ต้องเป็นแก่ธรรมดาของที้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมแม้วก็ต้องเป็นเจ็บไข้ของที้มีความตายมีความสิ้นใปมีความชิบหายเป็นธรรมดามันก็ต uh. ้องตายมันก็ต้องสิ้นไปมันก็ต้องชิบหายเป็นธรรมดาของมันของมัน เราจะไปขอของที่มีความเกิดเป็นธรรมดาว่าเอ้ยอย่าเกิดเลยความทุกนี้อย่าเกิดเลยปัญหานี้อย่าเกิดเลยมันต้องเกิดเป็นธรรมดาจะไปขอให้มันไม่เกิดมันไม่ได้หรอกทุกฝั่งเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้หรือจะขอของที่ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าเฮ้ย <ste am expanding> อย่าแก่เลยนะ่ะอย่าเจ็บเลยนะ่ะอย่าตายอย่าชิบหาย อย่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยนะเป็นขอไม่ได้เป็นของที่ไม่เป็นฐานะที่ว่าจะได้ในความที่มันเป็นธรรมดาขอมันอยู่ยงั้นมันก็เป็นธรรมดามันอยู่ยงั้นไม่มีกำไรได้นึกฝังการที่เราจะขอขันห้ารูปของแข็งของเหลวกา๊าซเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้สังขารการปรุงแต่งและวิญญาณ คือการรับรู้เนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเป็นอัานะคือเป็นสิ่งที่ไม่จะเป็นได้เพราะมันเป็นอนัตตามันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็เป็นอย่างนี้ของมันน่ะก็ทำบาดาลก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่มีกำไรได้ข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้ ไมช่แค่ตัวเราทฝังไล่มาตั้งแต่คนขอทานคนเก็บขยะคนทำงานในบ้านคนทำงานในป่าพนัำ ง, งานออฟฟิขศข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองพระบรมบวงศานุวงศ์จนถึงพระเจ้าจักรพรรดิไม่เว้นแม้แต่พระชาประสงค์สมณพราหมณ์เทพมารบรมเทวดาพร้อมก็ไม่ได้ดุกฝังคุณไปอ้อนวอนต่อพระพุทธรูปอ่ะ กูไปอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าอ้อนวอนต่อเจดีย์ยุรูปเคารพอย่างเด่งหนึ่งขอของที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเปลี่ยนไปเลยขอของที่ต้องมีความแก่มีความตายมีความโศมีความร่ำไรเป็นธรรมดามีความชิบหายมีความสิ้นไปเนี่ยว่ามันอย่าเปลี่ยนนะอย่าตายนะอย่าสิ้นไปนะอย่าโง่นะอย่าโง่แต่ให้ฉลาด เหมือนเด็กสามขวบเขาวกาทะไมประที่ขึ้นทางนี้อยากให้พระที่ขึ้นทางนู้นได้ไหมพ่อเด็กโ ง, ง่จำฟังเด็มันไม่รู้เรื่องภาษีภาษาอะไรพระพุทเจ้าจึงเปิดดอกให้อย่างไม่ได้นะเปิดดอกให้เห็นว่านี่เราทุกขมา์มากพอแล้วแล้วนะจำฟังลองนึกถึงความทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่งที่เราเคยผ่านมาแล้วมันทุกข์หนักมาก ตะกระทั่งนึกถึงทีไรมันก็จะร้องไหุ้ดทุกทีเนี่ยนึกเลยคิดเลยเราเลิกให้ได้พูกัดสัญญาดูฟังเรานึกถึงความทุกนี้หนักไหมหนักสิหนักจนร้องไห้น่ะหนักแล้วจะถือทําไมสารสารวัฐนี้มันกําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้แค่เราพิจารณาตรนี้นะทุกฝังเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะ พเพื่อที่เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเราจะวางความทุกข์ได้คือสังขารนี่แหละเราต้องหน่ายมันก่อนเมื่อเกิดความหน่ายแล้วแค่นี้แหละมันพอแล้วทุกฟังที่จะเกิดความคลายคำหนัดในสังขารคือความทุกข์ทั้งปวงนั้นเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามันหนักมากมันมากๆเนี่ยเราไม่ได้เจอมาครั้งเดียวนะเนี่ยเราเจอมาก่อนนี้แล้วก่อนนี้ก็เรื่องเดียวกันนี่แหละ เบื่อหรื อ, อยังกลายกำหนิดหรื อ, อยังหน่ายหรื อ, อยังเธอเบื่อแล้วหน่ายแล้วกลายกำหนิดแล้ววางซะเพียงพอแล้วทูฟังแค่นี้เปื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์คุณคิดว่าคุณจะหนีความทุกข์พ้นเหรอไปกินเหล้าห่ะไปคุยกับเพื่อนวอะปลอบประมด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกตรงไหนทูฟังจี้เขไปเลยจอกก็ไปเลยเก า, าตรงที่ไม่คันมันจะไปหายกันได้ไง เขาตรงไหนก็ต้องขันตรงนั้นทุกตรงไหนเราจี้จอบอย่นั้นเห็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้ววางมันซะมันน่าเบื่อจริงเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มันมีก่อนหน้านี้มาซ้ำย้ำหลายชาติแล้วจนกระทั่งประมาณไม่ได้กําหนดไม่ได้มันไม่ได้แค่หยดเดียวสองหยดมันไม่ใช่ขันเดียวหรือปี๊บเดียวน้ําตานี่มันเท่าเกินความมหาสมุทรหนึ่งอีกอะ โมันไม่ไหวแนละ้วมั้งเนี่พอได้แล้วพอนะฟังเลิกเลิกเลิกขาดจากความทุกนเสียอย่าแปลมันไม่ใช่ของเราวางวางเลยประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยที่ใครๆจะได้เพราะความเศร้าโศกเพราะความร่ำไรขรำรัวเนี่ยไม่มีไม่มีคุณกลุ่มใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกินข้าวไม่ได้นอะนไม่หลับกินข้าวก็ปนน้าตา นอนหลับตาน้ำตาก็เปื้อนหมอนมันไม่หลับหรอกาฟังประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีใครจะได้หรอกเพราะความเศร้าโศกนี้เพราะการคร่ำกรวนนี้คนที่เป็นบันเด็ตท่าฟังคือคนที่มีปัญญาใครกร่วนทุกให้ถูกแล้วนี่จะรู้ว่าทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนนมีอยู่ไม่จมปลากอยู่ในความทุกนี้ไม่ร่ำให้คร่ากรวญไม่เศร้าโศก แต่ก็ทําการงานตามไปปกติของเราการงานใดมีก็ทําไปหน้าที่อะไรมีก็ทําไปปัณณ น, นี้ต้องทาสิ่งใดก็ทําไปให้เป็นธรรมดาดูกฝั่ ง, งเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนามาตตะครประยายที่ว่ามันยังไม่ได้ตั้งเบื้องหลังถึงเบื้องหน้าเราฟังใครครนูน่ามาดูตัวอย่างดีกว่าทูกฝั ง, งเรื่องราวของนิทานธรรมบทข้าพเจ้าจะให้ฟังในการปิดท้ายรายการนี้ เป็นเรื่องของนางปัตจราบ้างเรื่องของนางกีสาโกตมีลานคนนางวิสาขาหรือพราหมณ์ที่ลูกตายก็ตามฟังแล้วบุคคลเหล่านี้ใช้ปริยายนี้แหละปริยายในการที่จะกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ปริยายที่น้ำตาของเราที่มันทุกข์มากจนกระทั่งมันออกมาเกินล้นหมาสมุทรทั้งหลายมันยังน้อยไปปริยายนี้จะทำให ระวางความทุกนั้นได้ธรรมบทแปลเรื่องทิดานายช่างหูภาคที่หเรื่องที่หนึ่งร้ยสีสาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเจดีย์ชื่อว่าอัคาระวะทรงปรารพทิดาของนายช่างหูคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า อันทพปูโตอยังโลโกตนุเกทะวิปัสติสะกุนโตชลามุตโตวะอปโปสักคายะคัชติเป็นดลตอนทิดาช่างหูตายไปเกิดในดุสิตภพแม่นางกุมาริกาณนนางได้ถือกระเช้าหลอดได้ไปสู่สำนักของบิดาแล้ว แม้บิดาก็กำลังนั่งหลับอยู่ตอนนั้นนางกำหนดไม่ได้จึงน้อมกระเช้าหลอดได้เข้าไปอยู่กระเช้าหลอดได้กระทบปลายฟืนตกลงเสียงดังบิดานั้นตื่นขึ้นแล้วชุดปลายฟืนไปด้วยนิมิตคือเครื่องหมายที่ตนถือเอาแล้วนั่นเองปลายฟืนไปประหาร คือกระแทกนางกุมาริกานั้นที่อกนางธรรมกาละคือตายนะที่นั้นนั่นเองบังเกิดแล้วในดุสิตภพลำดับนั้นวิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสรีระทั้งสิน้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้วลำดับนั้นความโศกอันใหญ่ได้บังเกิดขึ้นแก่บิดา ของนางกุมาริกานั้นเขาร้องไห้โดยคิดว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเพื่ อ, อยังความโศกของเราให้ดับได้วิดาของนางกุมาริกาจึงไปสู่สำนักของพระาศาสดากราบทูลเหนือความนั้นแล้วโดวยกําว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์จงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับไปพระาศาสดา ทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่าท่านอย่าโศกเลยเพราะว่าน้ำตาของท่านกันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งที่ตาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั่นแหละในสงสารมีที่สุดที่ไกลๆไม่รู้แล้วเป็นของยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรทั้งสีนั่นนี้แล้วจึงตรัสอนะัตตะคสสุตร เขามีความโศกเบาบางทูลขอบรระชากับพระศาสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานก็บรรลุพระอรหัสต์หนังนี้แหละเรื่องที่ดาหน่ายช่างหูจบในเรื่องของอะนะมะตักค่ะปริยานีท่านฟังไม่ใช่แค่เรื่องน้ำตาอย่างเดียวน้ำตาท่วมจนแค่ มหาสมุทรกลายเป็นแอ่งแอ่งหนึ่งน้ำตาจริงๆกลายเป็นมหาของมหาโคตรของมหาสมุทรนี่นี่ก็อย่างหนึ่งนะยังรวมถึงน้ำนมด้วยทุกฝังน้ำนมที่เราดื่มกินนี่แหละกินนมแม่กินนมแม่บางคนเขามีนมม า, จากจนกระทั่งถึงขนาดว่าเอามาแจากจ่ายบริจาคให้คนอื่นได้น้ำนมที่คุณกินคุณดื่มเนี่ย ปริมาณมันมาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมาหาสมุทรแล้วเนี่ยนะน้าทะเลในมาหาสมุทรนี้ยังน้อยไปไม่ใช่แค่น้ำตาไม่ใช่แค่น้ำนมที่เราเดื่มกินยังรวมถึงหญ้าไม้กิ่งไม้ถ้าเราหักเอามาทำเป็นท่อนเป็นท่อนผูกเป็นตุ๊กตาสมมุติว่านี้เป็นพ่อนี้เป็นพ่อของพ่อ ย้อนหลังกลับไปเนี่ยจนกระทั่งหญ้าไม้กิ่งไม้หมดทั่วโลกเลยเนี่ยพ่อของเรานี่ก็ยังไม่หมดหรือถ้าเราเอาดินมาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนสมมุติว่า น, นี้เป็นแม่จนกระทั่งพื้นแผ่นดินหมดเหลือแต่แผ่นน้ําแม่ของแม่ของแม่เนี่ก็ยังไม่หมดหรือถ้าเอาไม้หญ้าเหล่านั้น แทนที่จะผูกเป็นมัดมัดละ3มนิ้วใช่ไหมเอามาทําเป็นเครื่องเสียบเต็มฝังเสียบสัตว์ใหญ่ๆจากในมหาสมุทรเนี่ยด้วยเครื่องเสียบใหญ่ๆเสียบสัตว์เล็กๆในมหาสมุทร ด, ด้วยเครื่องเสียบเล็กๆเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปจนกระทั่งไม้ย่าเนี่ยมันหมดจากพื้นแผ่นดินทั้งหมดสัตว์ทะเลที่เหลือมีอยู่มากนี้ก็ยังไม่หมด เราต้องเที่ยววนเวียนเนี่ยมานานมากแล้วทูกฝังเอาแค่คนเดียวเนี่ยถ้านับย้อนหลังไปแค่หนึ่งกับแล้วถ้าเอากองกระดูกที่จะมากองรวมกันกองรวมกันเอาชายก่อนเกิดเป็นคนเอากระดูกมาตายแล้วใช่ไหมชายก่อนอีกเกิดเป็นคนเอาเฉพาะกระดูกมาก็ดูเขามากองรวมกันกองรวมกันนีย่ยังใหญ่กว่าวกเขาใบบุญบรรพ ซึ่งมันมากๆากังมากๆเราไม่อยากจะประมาณได้เลยว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติไปไวเหมือนกับจำนวนมเมล็ดทรายที่จากต้นแม่น้ำคงคาเนี่ยไปจนถึงปากมหาสมุทรมันมีกี่เม็ดกี่เม็ดคาว่ากี่เม็ดกี่เม็ดนี่คือยังมีกรอบขอบเขตที่ ช, ชัดเจนนะคนที่เขายังมีความสามารถเขาอาจจะนับได้ เพราะมีกรอบที่ชัดเจนจากต้นแม่น้ำจนถึงปากแม่น้ำที่มหาสมุทรนู่นยังมีกรอบขอบที่ชัดเจนเอีกถือว่าน่าจะนับได้อย่างพอนับได้ยอย่างพายอย่างเงี้ยอ่ะหนึ่งสหรือยิบส่วนเจนี่ยบาคจะโอ้มันเป็นตัวเลขที่แบบค้านไปเรื่อยมันน่าไม่ได้แต่ก็ยังมีวิธีการ น, นับได้อยู่เพราะนั่นมันยังมีกรอบขอบที่แน่นอน เป็นสัดส่วนระหว่างเส้นพื้นผิวกับเส้นผ่านศูนย์กลางมันยังมีกรอบขอบที่แน่นอนแต่ด้วยอวิชชาเป็นเรื่องป้องกันปิดบังมีตนาเป็นเรื่องผูกรัดไว้ในตัวฟังมันมันไม่นับไม่ได้คือกรอบขอบมันไม่มีเลยไปตามอยู่ก็รู้ไม่ได้ขณะพระพุทธเจ้าขเราเป็นผู้ที่มียานอย่างรู้ชนี้ที่ไม่มีหมดเนี่ยไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยเนี่ย โอก็ยังตามไปไม่ถึงว่ามันเริ่มมายัางไงมันจบไปที่ไหนเพราะมันมีปริมาณมากๆถ้าว่าเราผ้าจากแคว้นกาสีที่มีความนุ่มความละเอียดอ่อนเนี่ยนะมันลูกไปลงบนภูเขาลูกหนึ่งที่มีความกว้างความยาวความสูงขนาด16กกิโลเมตรเป็นภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีโป ร, โรงเป็นแท่งทึบเนี่ย มิถวนาต้นหนึ่งทุกๆร้อยปีทุกๆร้อยปีเอาผ้านุ่มๆเลยะดอเนี่มันลูปไปครั้งหนึ่งรูปไปรูปไปด้วยความพยายามนี้ทุกร้อยปีทุกร้อยปียปจนกระทั่งว่ามันลี่เรียบเหี้ยนไปจนถึงพื้นดินนี่สลายไปเนี่ยด้วยการรูปเนี้ยทุกร้อยปีนี่ความหมดไปของภูเขานี่มันยังเร็วกว่าช่วงเวลาหนึ่งกับนนรูฟัง หนึ่งกับนินานมากหรือถ้าเราขุดสะใบหนึ่งขุดลงไปด้วยเรื่องขุดด้วยรถขุดขุดลงไปมันลึก16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรแล้วเอาเมล็ดปรกกาเนี่ยใส่ไปร้อยปีเม็ดหนึ่งร้อยปีเม็ดหนึ่งความที่จะเต็มขึ้นจนถึงขอบปากหลุมเนี่ยยังเร็วกว่า ถุกร้ยปีเนี่ยเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเนี่ยนะว้ยคุณจะไปนับเม็ดผักกาดที่อยู่ในหลุมขนาด16กคูณ16กคูณ1ิณกิโลเมตรเหรอโอ้มันนับไม่ได้เลอหวังคือถ้าจะนับก็นับได้เพราะมันกรอบขอบที่แน่นอนแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตันหาลาวิชาแล้วเนี่ยมันไม่มีกรอบแล้วก็มันบัวไปเลยตามไปอยู่ก็ไม่รู้หรือเรากาะกำแพงขึ้นมาอะกากำแพงขึ้นมาขนาด สิกิโลเมตรกว้างสิกิโลเมตรสูง16กิโลเมตรในกำแพงนี้มีเมล็ดพันธุ์ประกาศนี่เหมือนกันหรออ่ะหยิบออกมาเต็ไมไปหมดเลยนะในกำแพงเนี่ยหมือนกับเป็นห้องเก็บสมบัติแต่เก็บเมล็ดพันธุ์ประกาศขนาด16บหกคูนสกูนิกิโลเมตรหยิบออกมาทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดไม่ได้หยิบทุกวันนะหยิบร้อยปีเม็ดเดียวครั้งเดียวความพยายามจนกระทั่ง ภายในห้องภายในกำแพงภายในหีบสมบัติที่ขนาดใหญ่มหาศาลเนี่ยมันหมดความพยายามเนี่ยยังทำได้เร็วกว่าช่วงเวลาที่เราเกิดมาทุกแล้วเป็นเวลาแค่หนึ่งกับตัมบูฟังหนึ่งกับเนี่ยยาวนานมากคิ ด, กดใกล้กรุณาตัวเลขนี้ให้มันทราบซึ้งเข้าไปกินถึงในใจ เราจะไม่ขนลุกไหวแล้วโอ้โหเราทุกมาปานนี้แล้วเหรอเนี่ยเราทุกมาป่านนี้แล้วหรือนี่บางคนทุกเนี่ยก็ต้องทนทนทนท น, ทนทุกทําไมอ่ะเอามันถ่ายไม่ออกอ่ะดูคนปวดหนักปวดเบาเนี่ยก็ต้องทนนะทนกว่าจะไปไหนจะไปยึงห้องน้ำปวดปวดปวดปว ด, ปวดหนักปวดเบาเนี่ยมันต้องทนเพราะว่าเครมันจะไปถ่ายกลางร้านอาหารใครใช่ไหมถ่ายกลางที่สาธ า, ารณะแล้วห คนร้งไปทนไว้ก็ถึงเรียกห้องน้ำว่าสุขาเพราะมันเป็นที่ปล่อยทุกวางออกเมื่อไรหร่้องหวังความสุขเกิดทันทีความสุขเกิดทันทีเมื่อไรก็ตามที่เราวางของหนักคือกันหน้าวิมุตคือความพ้นก็เกิดขึ้นทันทีความเบาก็เกิดขึ้นณนะที่นั้นทันทีคนถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกมันอั้นอยู่นี่ โอ้พอถ่ายออกได้เมื่อไรเนี่ยมันโล่งทันทีกินอะไรดีไหยล่ะตอนกินอ่ะโอ้อะไรสิกินนั่นกินนี่แต่ไมไ่คิดถึงตอนถ่ายออกหรอกถ้าเปรียบเทียบกับตอนกินแล้วอร่อยลิ้นกับตอนถ่ายแล้วสบายตูดนี่อันไหนมันดีกว่ากันนีละคือานผูมฟังคือความสุขที่เกิดจากความสงบระงับ ความสุดที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานมันจะมีลักษณะที่ละเอียดไปกว่านี้อีกแต่จะพูดก็พูดก็คือว่าความสุดที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันยังเป็นกามแม้ความสูดที่เกิดขึ้นจากความที่คุณถ่ายออกนักก็ตามเบาก็ตามก็ยังเป็นกามอยู่เปนความสึกในทางกายแต่ความสุดที่เกิดขึ้นจากความสงบในภายในเนี่ยมันยิ่งกว่านี้อีกนะทุกั่งมันยิ่งกว่านี้ เราไตรตรองใคร้กรัวนพิจารณาความทุกข์เป็นทุกธสัญญานี้ให้ดีมันหนักไหมแล้วมันพอหรื อ, อยังพอหรื อ, อยังที่เราจะเบื่อหน่ายในสังการในความทุกข์เหล่านี้พอหรื อ, อยังที่เราจะให้เห็นตามความเป็นจริงพอแล้วพอแล้วพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายกำนัดพอแล้วที่จะปล่อยวาง ที่จะละวางมันได้ได้ครควรให้ดีทุกฟังในอนะัมตะคะปริยายาสูตรนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากพระบุตรเจ้าจะใช้อยู่เป็นประจำเพื่อีจะมาระงับความโศกที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจซึ่งไม่ใช่มรณะทุก์ไม่ใช่ชาราทุกไม่ใช่ชาติทุกคือการเกิดเป็นทุกข์นั้นเป็นของผู้เกิด ของผู้แก่ของผู้ตายเองแต่คนที่ต้องไปประสบกับคนที่เรารักตายคนที่เรารักเจ็บไข้คนที่เรารักมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนี่ใชจปริยาอย่างนี้กาให้มันถูกที่ขันทุกตรงไหนให้พิจรนารณาที่จอดเข้าไปตรงนั้นนักตรงไหนเราจะปลดละวางปล่อยได้ก็ต้องตรงนั้น แนี่คือรายการธรรมารับอรุณมีข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแเวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยธรรมฟังที่ต้องการฟังซ้ำย้อนหลังเพิ่มเติมอะไรต่างๆไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมาร์ดอมได้วันนี้เราพูดถึง เรื่องของปริยายที่มันยังไม่ได้ล่ะซ้ายขวาหน้าหลังนี่มันรัดรึงเราเต็มไปหมดมานานแล้วด้วยพอเราใคล้ครวญทำความเข้าใจแล้วแน่นอนทุกวางเราปล่อยวางได้แน่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเดินตามทางมั่งแบบจะไม่เกิดความรู้ความเข้าใจมีปัญญาขึ้นใดแน่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านูฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ส่วนใหญน